ไม่เหมาะสมเป็นช้างพราชานะเน่เขาดูแล้วอเออใช่พวกเราถ้าพวกเราสังเกตเห็นช้างนะแช้างถ้าก้นมันต่ำๆหัวมันสูงๆเลยแสดงว่า ม, มันเวลามันเกิดมามันมันเอาขาหลังมันกระแทกกับพื้นมันขาสุดต่อมาอีกเนี่ยเขาเอามามาถวายพราชายตั้าแต่เกิเป็นลูปหลังอีกตาบอด ลหลัลเออม้าตัวนี้ดู ด, ดูแล้วก็สมบูรณ์ดีเอดูดูดดแล้วก็ใหญ่ไลด่ดีแต่ว่าม้าตัวนี้มันเกิดมาเน่มันไม่ได้กิน น, นมแม่ของมันนะมันกินนมบัวเพราะนั้นร่างกายบางส่วนไม่สมบูรณ์เออพราะมันแม่มันตายแต่พอมันเกิดขึ้นมาออจากนั้นเขาก็เอยใช่ม้าตัวนี้เป็นม้าไม่สมบูรณ์เออนี่ย อ, อ, อันนี้คือหลายๆอย่าง แต่พระเจ้าเป็นดินแต่ละอย่างพระเจ้าเปดินก็ให้รางวัลไม่มากเหมือนกับให้รางวัลคนสวนลักษณะอย่างนั้นแหละนายต้นหัวนี่เเลยไม่ได้ไม่คุ้มค่าเราควรจะออกไปทำมาประกอบสัมมาชีพยอย่างอื่นดีกว่านะจากนั้นท่านก็เลยออกมาออกมาพวกกลุ่มพ่อค้าเรือก็ต่อเรืออกนีกต่อเรือใหญ่มากเลยแนยีเพื่อจะเดินทะเลเอาสินค้าไป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 ทะเลปันปนลป่นป่วนเทะเลปั่นป่วนค่อยๆว่ามันลมก็แทกอย่างแรงเออไปกระแทกฝั่งเกาะแถวนั้นพังเป็นแทบเป็นแทบเป็นแทบเออแต่นี้ก็ถามว่านี่มันเป็นอะไรนะบอกว่าเป็นเอองโอตายมาถึงทะเลจุดนี้เป็นไม่มีใครรอดทะเลจุดนี้มั้งเอ่ตายลูกเดียวเออตรงนั้นพวกคนทั้งเจ็ดร้อยกว่าโอ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 เวลาพวกเราถึงเขาขับขันมาให้เราลำลึกถึงบุญกุศลที่พวกเราได้สังสมบุญกุศลมาในอดีตจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าได้ทำอะไรในอดีตที่เป็นประทับใจข้าพเจ้าได้ดูแลปนิบัติพ่อแม่ข้าพเจ้าเนีปิิบัติพระพุทธศาสนาข้าพเจ้าโดยไหว้พระนั่งภาวนาสวดมนต์ข้าพเจ้าได้รรักษาศีลเหล่านี้แหละมันต้องมีมันมี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 ในชาตินั้นเราได้ใช้จิตใช้ปัญญาแต่ตาเราบอดเพราะถูกน้ำทะเลเข้าตาของเราบ่อยบ่อยบอย่อพบกุใแจุดตาก็เลยเล็ดบอดแต่เราก็ทำหน้าที่ตาบอดของเราใช้จิใช้ปัญญาของเราจนเอาชีวิตรอดได้ในบริวารของพวกเราเนี่แหละอันนี้ก็คือ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 คนขับรถเนะ่เมื่อรถคันนี้พังคนขับรถจะต้องออกจากรถไปเกิดในภพภูมิต่างๆนั่นะคนขับรถจะมีเงินไมในกระเป๋าไหมมีเพชรนินกินดาไหมมีบัตร a t ทไหมถ้าจะไปกดเอาที่ไหนได้มีไหมถ้าโซเฟอร์โง่โซเฟอร์ไม่ได้ใส่ใจโซเฟอร์ไม่หาเงินโซเฟอร์ก็จะต้องทุกยากลำบากพอออกจากรถคันนี้ไปแล้วก็มีแต่ <g ül> ไม่มีเงินจะทําไงมุดรถคันนี้มันตายแล้วก็มีแต่ย่าตอกนะเดินฮะไปหาเดินงกงกกันงานไปตามเรื่องเพราะอะไรเพราะมันไม่มีทุนนะผลที่ส่งไปหาเกิดหมูเป็นหมูหมากาไก่ไปเรื่อยเลยไปเกิดเป็นสัตว์ที่ระยานมีที่เกิดมีตึงแยอะแยะไปโลกในโลกหาได้คุณแม่ฉีแก้วบอกันหาดีก็ได้หาชั่วก็ได้